สอนาคตะวาระอนุโลมบุคคลร้อยสอนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งอรหัตมักบ ja. ุคคลจักได้อรหัตม um hmm. ักในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จักดับ บุคคลนอกนี้สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นจักดับและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็จักดับปฏิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิ สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิของบุคคลใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิในพังค์ขณะแห่งอรหัตมรักอรหันต์บุคคลสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิของบุคคลเหล่านั้นจักดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็จักดับร้อยี่สิบสี่อนุ สภาวธรรมที่เป็นอกุศนของบุคคลใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศนของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมรักอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้น สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิของบุคคลเหล่านั้นจักดับและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็จักดับอ <Buddhist. S 2> <orde Travis. S 1> นุโลมะโอกาตร้อยี่ ส, สิบสห้าอุสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมิใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมอนุโลมปุคะโลกาส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 และปัญจโวกรภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่าน네ั้นในภูมินั้นจักดับและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็จักดับปฏิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นอภิญากฤิขของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหม วิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลใดในภูมิใดจักดับสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งอรหัตมรักอรหันตบุคคลและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศนิสัตตภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิ ข, ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่จักดับ บุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจัตุวการภูมิและบรรจโวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิกของบุคคลเหล่านั้นจักดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็จักดับร้อยี่สิเจอนุสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิกของบุคคลใดในภูมิใดจักดับ สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมรัคอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้อุปอยู่ในอาศันสัตตภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จักดับ บุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจัตโตโวการพูมิและปัญจโวการพูมิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิกของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและสภาวะธรรมที่เป็นอกุศนก็จักดับปัจเนกาบุคคลร้อยี่สปดนุสภาวะธรรมที่เป็นคุศลของบุคคลใดไม่ใช่จักดับสภาวะธรรมที่เป็นอกุศนของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิ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 สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็ไม่ใช่จักดับอนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่ใช่จักดับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิในพังธขณะแห่งอรหันตมรรคอรหันตบุคคลสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิไม่ใช่จักไม่ดับ ในพังขณะแห่งปัจฉิมจิตสภาวธรรมที่เป็นขู่สนของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิก็ไม่ใช่จักดับปฏิสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิของบุคคลใดไม่ใช่จักดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิใช่ยยี่สอนุสภาวธรรมที่เป็นอกุศนของบุคคลใดไม่ใช่จักดับ สภาวธรรมที่เป็นอัภยากฤิของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลงด้วยอรหัตมรักอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใจในลำดับแห่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นอุปสนของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิไม่ใช่จักไม่ดับในพังคขณะแห่งปัจฉิมมิจิตสภาวธรรมที่เป็นอุปสนของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับ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 ร้ออนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับสภาวธรรมที่เป็นอกุสลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิในอุปาทัคณะแห่งอรหัตมรัก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 สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิในพังคข้าขณะแห่งอรหัตมรักอรหันตะบุคคลบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาัญิสัตาภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิไม่ใช่จักไม่ดับในพังคขขณะแห่งปัจฉิมจิต สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและสภาวธรรมที่เป็นอภยกริกก็ไม่ใช่จักดับปฏิสภาวธรรมที่เป็นอภยากริกของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิใช่ร้อยอนุสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับ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 สภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิ ข, ของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิ ข, ของบุคคลใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังคขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากกุศลบุคคลผู้เข้านโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิ สภาวธรรมที่เป็นอัภยากฤิของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กำลังดับในพังคขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็กำลังดับร้อสาิสอนุสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดกำลังดับสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ ปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลใดเคยดับสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิในอุปาทัคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังคขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากอกุศนบุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศัญยสัตตภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิรรของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่กำลังดับ ในพังคขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและสภาวธ ร, รรมที่เป็นอกุศนก็กําลังดับอนุโลมะโอกาตร้อยสามสิบห้าอุสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดกําลังดับสภาวธรรมที่เป็นอคุศลในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมอุโลมะปกคโรกาตร้อยสามสิบหกอุ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 สภาวธรรมที่เป็นอัพยาขลิของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและสภาวธรรมที่เป็นอคุศนก็กําลังดับปัจจเนกะบุคคลร้อสามสอนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศนของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิเคยดับปฏิสภาวธรรมที่เป็นอคุศลของบุคคลใดไม่เคยดับ สภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับมีไหมวิไม่มีอนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิเคยดับปติสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลใดไม่เคยดับสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับมีไหมวิไม่มี ร้อสเกอนุสภาวธรรมที่เป็นอกุศนของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤ็ของบุคลบททลบคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิเคยดับปฏิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤ็ของบุคคลใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นอคุศนของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับมีไหมวิไม่มีปจเนกาโอกาดร้ 500. อยสี่สิบอนุ สภาวะธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมปัจเจนียกบปุคโลกาดรอยสี่สิบเอดอนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิในอุปาทัขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังค้ขณะแห่งจิต ท, ที่วิปยุจจากกุศล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 วิใช่42อนุสภาวะธรรมที่เป็นอกุศนของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังค์ขณะแห่งจิตที่วิปยุจากอากุศลบุคคลผู้อุปาจูในอสัญญสัตต ภ, ภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับ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 วิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลใดจักดับสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิในอุปาทคณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังคคณะแห่งจิตที่วิปยุจจากกุศลบุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัตและบุคคลผู้อุปาจูในอสัญญัตตภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กำลังดับ ในพังคะขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลเหล่านั้นจักดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็กำลังดับร้อสี่สิบสอนุสภาวธรรมที่เป็นอคุศลของบุคคลใดกำลังดับสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลใดจักดับ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 สภาวธรรมที่เป็นอภยากลิ่นของบุคคลเหล่านั้นจักดับและสภาวธรรมที่เป็นอก so ุศลก็กำลังดับอนุโลมะโอกาตร้อสี่สิบห้าอนุสภาวธรรมที่เป็นคุศลในภูมิใดนกำลังดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศณในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมอนุโลมะปุคะโอกาต้อยสี่สิบหอนุสภาวธรรมที่เป็นคุศลของบุคคลใดในภูมิใดนกำลังดับ สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งอรหัตมรรมบุคคลจักได้อรหัตมรรมในลำดับแห่งจิตใจในพังคฆขณะแห่งจิตนั้นสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ในพังคขณะแห่งสภาวะธรรมที่เป็นกุศลสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับ และสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็จักดับปฏิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภู ม, ใมินนใดจักดั บ, บดขขสภาวธรมนนนนมวรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิในปุปาทขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังคขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากกุศลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กาลังดับ ในพังค water, ness, antis, judgment, ์ขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นใน <JUST>? ภูมินั้นจักดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็กำลังดับอนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลใดในภูมิใดจักดับ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 และสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็กำลังดับร้อสเจอนุสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับสภาวธรรมที่เป็นอัพยกริ่ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิของบุคคลใดในภูมิใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิ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 ในพังคขณะแห่องอรหัตมรักษ์บุคคลจักได้อรหัตมรักษในลำดับแห่งจิตใจในพังคขณะขแห่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่ไม่กำลังดับในอุปาทขณะแห่งอรหัตมรัคษ์อรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใจในอุปาทขณะแห่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับ และสภาวาธรรมที่เป็นกุศลก็ไม่ใช่กำลังดับอนุสภาวาธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับสภาวาธรรมที่เป็นอัพยาหรือของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในพังคขณะแห่งจิตที่วิปยุจักกุศลบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตถ ภ, ภูมิสภาวาธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับ แต่สภาวะธรรมที่เป็นอภยกฤิไม่ใช่จักไม่ดับในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและสภาวะธรรมที่เป็นอภยกฤิก็ไม่ใช่จักดับปฏติสภาวะธรรมที่เป็นอภยกริบของบุคคลใดไม่ใช่จักดับสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิใช่้อยสี่สิบเก้าอนุ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 ในพังค์ขณะแห่งปาชิมมจิตสภาวธรรมที่เป็นอคุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและสภาวธรรมที่เป็นอัพยากรก็ไม่ใช่จักดับปฏิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากรของบุคคลใดไม่ใช่จักดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิใช่ปัจเนฆาโอกาสร้อยห้าสิอนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับ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 สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จำลังดับสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคล น, น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งอรหัตมรรมบุคคลจักได้อรหัตมรรมในลำดับแห่งจิตใดในพังคขณะแห่งจิตนั้นสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จำลังดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่ไม่ไมกำลังดับในอุปาทขณะแห่งอรหัตธรรม อรหันตบุคคลบุคคลจับได้อารหาัตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขณะแห่งจิตนั้นบุคคลผู้อุปาจอยในอสัญญาสัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็ไม่ใช่กัลังดับอนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กัลังดับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริอของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิ ในอุปาทขณะแห่งจิต ข, ของบุคคลทั้งหมดในพังคขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากกุศลบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากริบไม่ใช่จักไม่ดับในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับและสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิบก็ไม่ใช่จักดับปฏิ สภาวะธรรมที่เป็นอภยากลิ่ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กัลังดับใช่ไหมวิใช่ร้อห้าสิบสอนุสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กัลังดับสภาวะธรรมที่เป็นอภยากลิ่ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมด ในพังคขณะแห่งจิตที่วิปยุจากอกุสนบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอคุสลของบุคคลเหล่านั้นในภูมิ น, นั้นไม่ใช่กำลังดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิไม่ใช่จักไม่ดับในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตสภาวะธรรมที่เป็นอคุสลของบุคคลเหล่านั้นในภูมิ น, นั้นไม่ใช่กำลังดับและสภาวะธรรมที่เป็นอพยากฤิก็ไม่ใช่จักดับปฏิ สภาวะธรรมที่เป็นอพยกลิของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิใช่หอาทิตานาคตะวาระอนุโลมบุคคล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 สภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นอพยากลิก์ไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้สภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและสภาวะธรรมที่เป็นอพยากลิ์ก็จักดับปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอพยากลิ์ของบุคคลใดจักดับสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคบคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ร้อยห้าสิบสี่อนุ สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดเคยดับสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิตของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งปัฏิมจิตสภาวะธรรมที <plein okay? S 1> ่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่า <Luther> น <an> ั้นเคยดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิตไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิตก็จักดับปฏิ สภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลใดจักดับสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่อนุโลมะโอกาตร้อยห้าสิบห้าอนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดเคยดับสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมอนุโลมะปุขคโลกาตร้อยห้าสิบหกอนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับ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 สภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและสภาวะธรรมที่เป็นอคุศนก็จักดับปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดาจักดับสภาวะธรรมที่เป็นขุศนของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิเป็นไปอยู่สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลไม่เคยดับ บุคคลนอกนี้ผู้อุปบตอยู่ในจัตุโวาการภูมิและปัญจโวการภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและสภาวะธรรมที่เป็นกุศลก็เคยดับอนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับสภาวะธรรมที่เป็นอภยกายหรของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิในพังค์ฆขณะแห่งปัจชิมจิตสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับ แต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจัตตวโวกรภูมิและปัญจโวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิก็จักดับปฏิสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิของบุคคลใดในภูมิใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิ เมื่อจิต ด, ดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่เคยดับบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจตัตตวโกรภูมิและบัญจโวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็เคยดับร้อยห้าสิบเจ็ด อนุสภาวธรรมที่เป็นอคุสนของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็น อ, อัพยากริ่ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิในพังคะขณะแห่งปจชิมจิตสภาวธรรมที่เป็นอคุสนของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจัตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิ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 สภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลไม่เคยดับบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจัตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและสภาวะธรรมที่เป็นอคุศนก็เคยดับปัจจีกะบุคคลร้อห้าสอนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่เคยดับ สภาวะธรรมที We, ่เป็นอกุศนของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับมีไหมวิไม่มีปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่ใช่จักดับสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิเคยดับอนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศนของบุคคลใดไม่เคยดับสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับมีไหมวิไม่มีปฏิ สภาวะธรรมที่เป็นอัภยากฤิของบุคคลใดไม่ใช่จักดับสภาวะธรรมที่เป็นขุศนของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิเคยดับร้อห้าสิบเกอนุสภาวะธรรมที่เป็นอกุศนของบุคคลใดไม่เคยดับสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับมีไหมวิไม่มีปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลใดไม่ใช่จักดับ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิเคยดับปัจเนกาโอกาสร้อยหกสิบอนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมปัจเนกาปุขะโลกาดร้อยหกสิบเอ็ดอนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับ สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิเป็นไปอยู่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลก็ไม่ใช่จักดับ ปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศนของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับสภาวะธรรมที่เป็นกุศนของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหัตมรรมะอรหันต์บุคคลบุคลบคลจักได้อรหัตมรรมในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่สภาวะธ ร, รรมที่เป็นกุศลไม่ใช่ไม่เคยดับ บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศัยในสัตตภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและสภาวะธรรมที่เป็นกุศลก็ไม่เคยดับอนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับสภาวะธรรมที่เป็นอัพญากริชของบุคคลใในั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจักดับปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอัพญากฤิของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับ สภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิเคยดับร้ออนุสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจักดับปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับ สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิเคยดับนิโรธวาระจบ